ท่านก็ได้มานั่งอยู่ที่นี่ด้วยแปลว่าวันนี้เป็นวันผู้ใหญ่ในพื้นที่มาครบท่วนบริบูรณ์มาครบทีมหน้าปีติอินดีปลื้มใจกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้พระสงฆ์กับหลวงพ่อก็เด้นำพระคณะสงฆ์ ออกมาจากวัดมาเจริญพระพุทธมนต์ทั้งหมดก้าโรูปถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลเป็นวันที่พร้อมหน้าพร้อมตาคณะครูบายอาจารย์และฝ่ายปกครองหัวหน้าส่วนราชการให้ความสําคัญในวันครูของพวกเราเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้จึงถือว่าเป็นวันอุดรมมงคล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 คงจะหลวงพ่อก็คงจะไม่พูดว่าหลวงพ่อพูดเวอร์เกินไปนะแต่หลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อพูดถูกเพราะว่าก่อนที่โรงเรียนนักเรียนจะเข้าโรงเรียนหลวงพ่อก็พอได้ทราบทราบอยูเออ่เงินส่วนนั้นน่ะไม่ใช่น้อยจากนั้นก็ได้ส่งไปเรียนต่างประเทศอีกเงินส่งไปเรียนต่างประเทศปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอก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 แต่หลวงพ่อเขาวนะั้นหลวงพ่อกับตำหนิเดียวนะตำหนิไกลๆตำหนิแบบพระพระป่าตำหนินะหลวงพ่อบอกว่าเอ๊ะทำไมไปหายหยุดโรงเรียนทั้งหเดือนพอหยุดแล้วครูบายจาย์ก็ไม่ใช่ว่าไม่รับเงินเดือนก็ไม่ใช่ก็ยังรับเงินเดือนอยู่แต่ตามไม่จริง6เดือนนี้นะเราเตรียมพร้อมที่จะเข้าประชาคมอาเซียน เราหน่าจะสอนภาษาอังกฤษให้ลูกหลานของเราหกเดือนเอาหกเดือนนี่นะไม่ให้สอนภาษาไม่ใหสอนอย่างอื่นให้สอนภาษาเท่านั้นแล้วก็นักเรียนของเราทั้งหเดือนเนี่หลวงพ่อว่าคงจะได้ภาษาที่จะเข้าประชาคมอาเซียนคงจะมากพอสมควรแต่นีนปล่อยให้เด็กของพวกเราเด่นเด่ น, ด, นด้านๆเพอเพอเด็กนักเรียนเรามีเวลา เสียทํำความเสียหายให้อีกพ่อแม่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะโรงเรียนไม่ได้เปิดนี่หลวงพ่อว่าผู้ใหญ่ในแผ่นดินของเราเนี่น่าจะคิดในสิ่งเหล่านี้เพราะนั้นที่อันนี้หลวกพ่อพูดแบบทวงติงแบบพระป่านะพระป่าพูดนะแต่ก็อยากจะให้พวกครูบาอาจารย์เหล่านี้ละที่นั่งฟังอยู่ต่อหน้าของหลวงพ่อนี่คิดว่า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 ขาดคุณธรรมก็ไม่ได้แต่มีแต่คุณธรรมขาดความรู้ก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้สอนเอาไว้ว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังก็คือการสอนกันนี่แหละสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง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 ไอ้ข้างถนนน่ะผมยาวๆเนี่ยพ า, นะายของไอ้ลงตุงนังนะ่ะให้มันมาคิดมันจะคิดได้ไหเพราะมันปุ่งฟุ้งซ่านนะ่ะมันไป็จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะ่ะจิตใจมันคนขาดสติในเมื่อคนขาดสติแล้วจะนํามาพิจารณาการกรองไตรตรองเรื่องเหตุและผลนะเป็นไปไม่ได้อย่างพวกเราก็เหมือนกันถ้ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นอย่างร้อนๆ อ, อยูออ่คิดปุ่งฟุ้งอยู่ตลอดเวลา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 ใครใครก็อยากจะไปเล่นอยากจะไปชมหรือจะไปงานปีใหม่ลักษณะอย่างนั้นคือประเทศอินเดียเนี่ยเขาถือว่าวันเดือน12บสองผนเนี่ยเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเหมือนกับเราลอยกระทงลักษณะอย่างนั้นแหละทีนี้ใครก็อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปชมงานก็เลยเห็นเริงลิิงใหญ่เริงอุหลังกุตังนะ่ะที่เป็นหัวหน้า มันก็กินผลไม้กลากไม้อยู่ในสวนนั่นแหละกับบริวารมันก็ภาษาก็คิดว่าเกือบจะใช้เป็นเป็นภาษาคนได้นายอุทยานก็เออถ้าหากว่าพวกเราจะไปไม่มีใครอยู่สวนอย่างนี้ก็น่าจะเรียกลิงอูหลังอุตังเนี่ยอูรลังอุตังเนี่ยมาใช้งานดูสิออก็เลยเรียกหัวหน้ามันมาเรียกหัวหน้าลิงมา มาก็นายอุทยานก็สั่งเอ้ยวนาอูลังอุตังพวกเราเนี่จะไป เ, เล่นนักขัดตะลิกนักกษัดไปงานเดือน12นเพองแ่นให้พวกเธอพวกเจ้าเนี่ ย, ยดูแลสวนแทนได้ไหมอีอูลังอูตังมันก็ทำตามุมบอบมุมอบมุมอบเ่เออขึ้นมาก็ว่ารับว่าได้ได้ได้ฮ นายอุทยานเนี่ยบอเออเอานี่ยละเออนี่ต้นไม้เนี่ยมันยังเล็กอยู่ถ้าเล่านี้ไปเจ็ดวันนี่มันอาจจะอ า, อาจจะเฉาได้เพอมันขาดน้ำเพราะนั้นให้นี่นะที่แหล่งน้ําอยู่ตรงนี้นะแล้วก็กระป๋องอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ขันน้ําอยู่ตรงนี้นะวิธีรดลดอย่างนี้นะทําได้ไหม ก็สอนสอนอุหลังอุตังวัวหน้าก็รับเอาทำให้ดูซิมันก็ทำให้ดูนะพอทำให้ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เออใช้ได้ใช้ได้ ใ, ไดออในอุทยานก็ไว้ใจน่าจะใช้ได้เพียงเจ็ดวันนะเราไัยเพียงเจ็ดวันกับลูกน้องบริวารนะ เ, เจ็ดวันคงจะคงจะไม่มีปัญหาเอาดูแลนะอุหลังอุตังนะ่ะออพวกเราจะไปแล้วนะ มันก็มูบมาผูบมาผูบมาคท้ทำปากขมุขมับแอ้จากนั้นก็พกนี้ก็ไปแหะไปได้เจ็ดวันพอเจ็ดวันกลับมาโหเกือบจะเป็นลมแท้เลยคอืออุหลังอุตังเนี่ยมันฉลาดเกินไปว่างั้นเถอะแล้วมันบอกว่านี่นะพวกเราลดต้นน้ําต้นไม้นะนี่นะพวกนายอุทยานเขาว่าพวกเราเนี่ย กินผลละมากรากไม้ในสวนก็พวกเรากินมากกว่าคนอีกต่างหากเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยใช้เราให้พวกเราเนี่ยลดต้นไม้ลดต้นไม้แทนเขาเแต่ว่าพวกรถน่ยให้ลดต้นไม้ให้ทั่วถึงนะออพอรถวันหนึ่งพอวันที่สองมาอุลังอุตางก็สั่งใหม่เลยพวกเราทั้งหลาย ก่อนจะลดน้ําต้นไม้เนะ่ะเราจะอยากจะรู้ว่ามันลากสั้นลากยาวขนาดไหนมันอาจจะไม่ได้กินน้ําก็ได้ต้นไม้นะ่ะเพราะนั้นให้พวกท่านทั้งหลายถอนขึ้นมาเจ้ก่อนถอนต้นไม้ขึ้นมาเจ้ก่อนแล้วเอารากมันจุม่มแช่ลงไปในถังเสร็จแล้วจึงยัดลากมันลงไปในหลุเก่ามันอีกฮเพื่อจะให้ต้นไม้มันได้กินน้ําเต็มที่หัวหน้ามันสั่งนะ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 ครูบาอาจารย์เด็กโดยเฉพาะครูช่วยสอนเนี่ยนะพวกเด็กที่มีกำลังมีกําลังมีไฟอยู่เนี่ยนะข้อข้อำคำขาดให้พออและพวกเกี่ยวข้องนะใช้เด็กพวกนี้แหละให้มันเกิดประโยชน์เพราะมันเด็กกําลังมีไฟและกมันเข้ากับวัยของเด็กร่วยกันได้ด้วยเอ้าสอนภาษาอังกฤษนะสอนอยังไงเอ้อาคณิตศาสตร์นะสอนอยังไง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 เดือนหนึ่งเราก็ทดสอบอยู่แล้วว่าเด็กนักเรียนมันไปยังไงโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพออเน่เป็นพ่อของบ้านแต่ละแต่ละโรงเรียนอันนั้นสาคัญนะพออต้องใส่ใจอย่างวัดของหลวงพ่ อ, อเหมือนกันนะหลวงพ่อเองก็ไม่ได้มอบให้แก่พระองค์ใดองค์หนึ่งที่ลูกน้องหลวงพ่อนะหลวงพ่อเองต้องใส่ใจต้องสอดส่องต้องดูแล พ่อเหตุไรถึงจะมอบให้ลูกน้องก็เถอะอที่เขาจะเชื่อฟังคำคำกันนั้นมันยากาแต่ถึงเราก็ไม่ได้ว่าเาพราะเหตุไรเพราะเราเคยเป็นลูกน้องมาก่อนอยู่แล้วแต่ถึงยังไงหัวหน้าจะต้องสอดส่องดูแลสารถูกสุกดิบควรจะปฏิบัติอย่างไรแต่ละท่านแต่ละคนให้การดูแลกับลูกน้องบริวารโดยเป็นธรรมแล้วก็กิจการงานหรือว่า วัดวาศาสนาหรื อ, อกฎระเบียบวินยัยเป็นยังไงภายในวัดอันนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้ถอดทิง้งเพราะนั้นที่หลวงพ่อพูดทางนี้ท้งนั้นก็เอาหลวงพ่อเนี่แหละเป็นกฎเกณฑ์น ะ, ะแล้วก็อยากจะฝากให้กับครูบาอาจารย์ผอทั้งหลายโรงเรียนในเขตอำเภอน้ำสมนายูงบ้านผือกุดจับของพวกเราเนี่แหล ะ, ะให้ช่วยๆกันดูโรงเรียนแต่แล้โรงเรียนใส่ใจนะ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 ครูบาอาจารย์มากต่อมากวันนี้ก็จะแจกอีกนะจะแจกอีกให้ครูบาอาจารย์เวลานั่งรถกลับบ้านนะไม่มีหมู่เพื่อนไปกันนะฟังเทปของหลวงฟัง MP สของหลวงพ่อนะหลวงพ่อมั่นใจว่า MP ็สหลวงพ่อจะเกิดประโยชน์ต่อคณะคณะครูบาอาจารย์ไม่มากก็น้อยเรื่องศีลธรรมจริยธรรมอยู่ในนั้นละนะ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 อยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดการและนานเทินฮัลโหลโอ <Hello. S 2> oh, ยอดปัจจัยถวาย อ, อ, อ่านให้ฟังนะคณสัชตา ญ, ญาติโยมถวายปัจจัยเพื่อสร้าง เจดีพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาขนาดนี้นะ เ, เมื่อสองสามปีที่ผ่านมาหลวงพ่อเองได้ได้ไปวางศิลเลิกที่วัดป่าบ้านตาดมาีทุนกระหมอ่อมฟ้าหญิงเป็นประธานแล้วก็มีผู้วาราชการจังหวัดและก็หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เ, เต็มไปหมดเต็มศาลาใหญ่นะ หลวงพ่อถามถามดูว่าสมัยนั้นมีจตุปัจจัยอยู่ประมาณ80ดิบกว่าล้านนะแต่หลวงพ่อถามถามดูการสร้างเจดีย์หลายร้อยล้านนะงพ่อถามถามดูหลวงพ่ อ, อไม่มั่นใจวัดของเรากลุ่มของเราเนี่ยกลุ่มขอวงหลวงพ่อเอเนี่ยวัดป่านาคาน้อยเนี่ยน่าจะรับไปสักห้าสิบล้านบาทหลวงพ่อก็เลยรับประกาศในที่สาธารณะเลยว่า เรื่องสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเนี่ยหลวงพ่อวัดหลวงพ่ออินทไว ย, ยวัดปานาคำน้อยเนี่ยจะรับ50ล้านบาทเพื่อจะมาร่วมสมทบเจดีย์ขององค์หลวงตาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่ให้เป็นก้อนนะคล้ายๆกับว่างวดที่หนึ่งใช้ใจ่ายไปเท่าไหร่เราก็สมทบเข้าไปงวดที่สองที่สามที่สี่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 สองล้านบาทนะเดี๋ยวนี้หลวงพ่ อ, อยังเป็นนี่อยู่สี่ิบแปดล้านนะเพราะนั้นพวกเราลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะหลวงพ่อยังเป็นนี่อยู่สี่สิบแปดล้านถ้าลดลงมาอีกสามหมหนึ่งห้ารดิบาบาทยี่หสตางค์นะวันนี้นะลดลงไปลดลงไปอีกนะ เอเอเพราะนั้นเจดีของลงตาไปถึงไหนพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็คงอยากจะทราบนะแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนบพวัฒนสิงศดาเนี่ยท่านก็มาท่านเรียกประชุมนะประชุมครั้งที่ครั้งที่ยวันที่ยี่สิบสองเนี่ ย, น, น, ยนะคณศรธา ญ, ญาตโยมหลวงพ่อเองจะได้เข้าไปประชุมอยู่ที่สลากลางจังหวัดนะวันที่22 กราเนี่แหละเวลาบ่ายสองโมงจะมีการประชุมแต่บอกข้าวก่อนนะยกเลิกที่วางเซละเลิกไว้แล้วนะอ า, อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกวับใกล้วัดเกินไปแต่นั้นก็เลยเปลี่ยนสถานที่นะ เ, เปลี่ยนสถานที่กว้างขวางบัดเนีเ่เนื้อที่ทั้งหมดร8อยปดอไร่ที่จะสร้างพระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเพราะนั้นจึง มีการประชุมรอบที่สองอีกนะแล้วก็วันที่22นี่แหละหลงพ่อจะเข้าไปเพื่อจะประชุมห า, หาหรือกับเกี่ยวกับสร้างเจดีย์แต่ยังไม่ถอยเนอะเจดีย์เนี่สร้างแน่แต่ว่าลูกศิษย์ทุกหาองค์หลวงตานี่หลายมากมายหลายหลายกลุ่มหลายคณะหลายคู่หลายคน เ, เหมือนกับลูกหลายคนอย่างลาักษณะนั่นนะ่ะนาณาจิตต่างนานาทัศน์ ลูกแต่ละคนเพราะนั้นการสร้างเจดีก็คนหนึ่งกลุ่มท้วงติงขึ้นมาเออเอา้าวควรจะเปลี่ยนก็เลยมาทึงนี้แหละเป็นปีที่สี่แล้วนะวันที่ส0มกรานี่หละสปีพอดีนะลงตาจากไปเจดี JD ก็ยังยังไม่ขึ้นแต่คิดว่าปีนี้แหละ เ, เข้าปีที่ห้านี่แหละคงจะขึ้นได้แล้วทีนี้คงจะ เริ่มสร้างกันก่อสร้างกันล่ะ เ, เดี๋ยวนี้กําลังเขม็งเกลียวกําลังปรึกษาปารบกันแต่จะตกปัจจัยนะจะตกปัจจัยที่จะสร้างเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยไม่ร่วไม่ร่วมไม่ ไ, มลไมหลเนอะขนันธาญาติโยมนะเนอเดี๋ยวนี้มีปัจจัยทั้งหมดที่ผ่านวัดป่าบ้านตาเนี่ยสยกว่าล้านนะนะสี่กว่าล้านบาทแหละแล้วลก็มีผู้ถวายทุนก็หม่อมค้ายหญิง เมื่อวันวางชิลาเลิกนะั้นหนึ่งรยล้านอนะันนี้รวมกับเป็น500รนะ้อยแลวรวมไปรวมมาทั้งของหลวงพ่อที่ออกปากไว้เนะี่ยถ้ามันขาดหก0้อล้านกันสักหน่อยหลวงพ่อว่านะเพราะว่นั้นเรื่องการสร้างเจดีนี่ก็คงจะไปได้คงไม่มีปัญหาแต่ว่าจะใช้เงินเท่าไหร่หลวงพ่อเจดีนี่หลวงพ่อกล่าวไว้ประมาณพันล้านนะพันล้านก็คือเจดี แล้วก็พิพิธภัณฑ์แล้วก็กำแพงที่จอดรถศาลาลายอะไรมีตัวซวกสวนหย่อมอะไรมีมากมายกว่าที่จะเป็นเจดีขึ้นมาได้ลุลงพ่อกล่าวไว้ประมาณนั่นแหละประมาณพันพันต้นๆ น, นะคิดว่าคงจะสําเร็จเพรา ะ, ะนั้นขอชี้แจงให้กันนะศรัทธาญาติโยมเพราะว่าศรัทธาญาติโยงครูบาอาจอารย์ที่มาทําบุญในวันนี้คือวันที่สิบหก มกรา 5-8 นีคือครูบาอาจารย์ทั้งหมด4อำเภออำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับอำเภอนาบสวมอำเภอนายุงที่ร่วมสมทบถวายเพื่อสร้างเจดีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อจะได้นำจตุปจัจจัยนี้เอาไปเข้าบัญชีที่หลวงพ่อให้พระคณะกรรมการได้เปิดบัญชีไว้นะเอาเข้าบัญชีนั่นแหละ 30,000 หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตังค์อนุโมทนาสาธุเนอร์คณะัทธายญาติโยมเนอร์เอาต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรเมื่ออนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะลงไปแจกของที่ละเลิกนะวันนี้จะยิน โสกว่าจะมีการมอบพระพระหัตถบอดีสอกอสอกอสคอเนีแต่หลวงพ่อไม่ถนัดว่าอักษรย่อมันเยอะเหลือเกินเพราะนั้นหลวงพ่อก็กลัวจะไม่ทันสมัยหลวงพ่อก็เลยหนังสือของหลว ง, งพ่อก็หลวงพ่อก็เลยตั้งให้เป็นอักษรยอ่อเหมือกันนะอักษรย่อตัวหนังสือหลวงพ่อต่อต่ อ, ต อ, ตอ เออนี่แหละพ่อมันเบิ่อดูๆแล้วไม่สกอสคไม่รู้อะไรหลวงพ่อก็เลยตั้งหนังสือหลวงพ่อว่าต่อต่อต่อต่อต่อต่อพิกเข้าไปหน้าที่สองหน้าแรกไม่บอกนะต่ต่อตคืออะไรใช่ไหมพอพิกเข้าไปหน้าสองต่อต่อต่อเตรียมตัวตายหนังสือเตรียมตัวตายเตรียมยังไงเตรียมตัวตายไหนยหลวงพ่อก็บอกว่า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 พราะอีกไม่ไป อ, อ, อีกวันหนึ่งมันจะต้องตายจากนี้กันจากกันอยู่แล้วใช่ไหมถึงจะรักกันก็ไม่รักมากเพราะอะไรเพราะจะได้หนีจากกันอยู่แล้วนะถ้าเรารักมากโกรธมากมันก็ทุกมากใช่ไหมละ่ะบางทีเนี่ยโกรธให้เขามากมากไปซื้อปืนมาเพื่อจะฆ่าเขาใช่ไหมเพ้อเพ้อทําอะไรไม่ได้เส้นเลือดแตกในสมองอีกต่างหากใช่ไหมละ่ะเอ อ, อย่างหลวงพ่อพูดนะเมื่อวานวันก่อนนะไม่เอาทิตย์นี้แหละ หลวงพ่อได้รับบัตรสนเท่นะลูกหลานนะคดานหลวงพ่ออยู่ในป่านะไม่มีอะไรเขาก็ยังมีบัตรสนเทมาด่าหลวงพ่อนะหลวงพ่อก็จับขึ้นมาอ่านโอ้มันมาอีกแล้ววะฉบับนี้วะเพราะมันมากับข้าวก่อนมันก็มาอีกนั่นไหมมาข่าวที่หลวงพ่อจับซองขึ้นมายังไม่ได้เปิดแต่หลวงพ่อก็รู้เลยวะพราะเขาผิดพิมพ์ในหัวซองจดหมายว่ากรรมฐานกรรมถอกกรรมหลอกหาเงินนะก้อน ขึ้นขึ้นขึ้ น, นต้นว่นนาไงเถอะกรรมฐานกรรมถอกกรรมหลอกหาเงินว่าไงเอ๊หลวงพ่อไม่เคยหลอกหาเงินใครเด้อมันมันมาพูดยังไงนะวะจากนั้นหลวงพ่อก็เลยฉีขฉ่ขึ้นมาพราะฉี่ขึ้นมาม้างก็พูดอีหลอบเก่านั่นแหละเอ่อด่าหลวงปู่ลีบ้างด่าหลวงพ่อจะเรียนบ้างด่าหลวงพ่อสุดใจด่าหลวงพ่ออุทัยและก็ด่าหลวงพ่ออินว่าไงสิสี่ห้าหองในที่เขาดา่านี่ย ทอพว์ลุงพ่ออ่านเสร็จแล้วลุงพ่อก็เลยฉีกทิ้งมาแล้วไม่ให้ใครอ่านต่อนะลุงพ่อก็ไม่อ่านรอบที่สองอีกถ้าอ่านรอบที่สองเดี๋ยวมันจะด่าเราอีกรอบที่สองมางัน้นเถิดพราะนั้นพวกลกูกหลานให้ฟังเอาไว้นะถ้าว่ามีบัตรสนเทมานะ่ยอ่านทีเดียวจะฉีกทิ้งเลยอย่างัน้นเถิดถ้าเราไปอ่านรอบที่สองมันด่ารอบที่สองดา่าถ้าว่าอ่านครั้งที่3ามันด่าครั้งที่ส ม, ม ออพอที่สุดช้าออกช้ําใจจนเลือดเช่นเลือดแตกในสมองว่าไงแต่โอ้ได้ผลวะ เ, เราเขียนบัตรสนเทศไปด่าเขานี่ได้ผลว่าจนเลือดเช่นเลือดแตกเนี่ยจะให้มันได้ใจถึงขนาดนดี้เพราะอ่านขึ้นมาแล้วมันด่าเราใช่ไหมเรากรลีบฉีกทิ้งสร้างมอนจบไปมันมาถ้าเห็นต่อไปภายภาคหน้ากรรมาฐานกรรมหลอกทอกกรรมหลอกเอาเงินกูจะฉีกมันเลยไม่ต้องอ่านบัตร ฟังฟงเอาไว้ได้ลูกหลานเนี่ยเพราะนั้นใครเขียนบัตรสนเทมาดาเนี่ยโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งผู้ปกครองเนี่ยเอย้าไปอ่านอ่านพอรู้เรื่องเลยรีบฉีกทิ้งไวงแคนเน้อถ้าอ่านรอบสองบรรดาครั้งที่สองขาดังดาครั้งที่สามเนเอ่ยร <c oughs> <c oughs> ับพอในทีนีเนอะ